Mm hmm เช้านะก็ได้พูดถึงอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มนะซึ่งพิการมาตั้งแต่อายุยี่สิบสี่แล้วก็ช่วงยี่สิบปีแรกที่พิการนี่ก็มีความทุกข์ทรมานมากเพราะว่าต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นโดยเฉพาะพ่อแมนะ่แล้วก็ ยิงมาคิดว่าไม่มีโอกาสที่จะหายแล้วก็มีชื่อมือก็รอวันตายจนก้าทั่งได้มาปฏิบัติธรรมหลวมพ่อคำเขียนแนะนำการเจริญสติด้วยการพลิก ม, มือไปมาจนกระทั่งเข้าใจเรื่องรูปนามนะเข้าใจเลยนะว่าโอไอ้ที่พิการเนี่ยนะมันเป็นแต่กายที่พิการนะ ใจไม่ได้พิการด้วยแล้วจิตก็หล่อจากจความทุกข์นะอันนั้นคือประมาณสั้งยีสิบปีที่แล้วนะเมื่อสองปีที่แล้วนี่ก็ปรากฏว่าหมอตรวจพบว่าท่านเป็นมะเร็งที่ตับมะเร็งชนิดนี้ก็รักษาไม่ได้นะก็ได้แต่เยียวยาประคับประคองเราก็ทำให้ท่านเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องไม่แรงนะในการที่จะ ทำกิจการงานต่างๆทีแรกเนี่ยก็วิตกกันว่าท่านจะอยู่ได้ไม่นานนะแต่ก็ผ่านมาได้ปีกว่าแล้วนะก็ยัง เ, เรียกว่าสุขสบายสุขสบายหมาถึงว่าใจนะใจใจนี้สบายใจนี้เป็นสุขแต่ว่าร่างกายก็ป่วยแต่ว่า เดิมทีก็นึกว่าท่านคงจะอยู่ไม่ได้นานเพราะโรคนี้เนะี่ยมันก็ลุกล า, กามรักษาไม่หายแต่ก็จนแบบ น, นี้ก็ยังเรียกว่ายังเป็นเป็นอุปกรณ์สอนธรรมนะอย่างที่ท่านได้เคยพูดเอาไว้ได้ใครที่ไปเยี่ยมท่านก็จะพบว่านะท่านมีสีหน้าแนะจ่มใส ถ้าดูเฉพาะสีหน้าก็ไม่เห็นวีแววของความเจ็บความป่วยทางที่กายเนี่ยก็มีความาความทุกข์ความมีทุกขเวทนามากอาจารย์กัมพลเคยพูดว่าเนี่ยสิ่งที่ช่วยทําให้นท่านสามารถที่จะอยู่กับความเจ็บความป่วยได้โดยไม่ทุกไม่ทุกใจนะซึ่งกคง็คงมีส่วนทําให้ ร่างกายไม่ย่าแย่อย่างรวดเร็วแล้ก็บอกว่าเนี่ยมีมีหลักอยู่สามประการง่ายๆนะก็คือหนึ่งยอมรับความจริงยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายยอมรับเป็นมะเร็งยอมรับว่ามันเป็นโรคที่ดูแลได้ยาก อันนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่าคนป่วยหลายคนเนี่ยไม่ได้ป่วยแต่กายนะแต่ป่วยใจเพราะว่าใจไม่ยอมรับตีโพยตีพา ย, พยทำไมต้องเป็นฉันนะตีอกชกหัวจนทุศาสตร์ทาบุญทำความดีมามากทำไมฉันต้องมาเจอแบบนี้นหาเหตุผลสารพัดเพื่อที่จะอะสนับสนุนนะ ว่าตัวเองเนี่ยไม่สมควรป่วยซึ่งก็มีแต่ทําให้จิตใจแย่ลงนะและ้วจิตใจหลงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะกายนะไม่ใช่เพราะโรคนะแต่เพราะใจที่ไม่ยอมรับประการที่สองคือว่ายอมรับความเป็นไปนะก็คือว่าโลกนี้เนี่ยมันถ้าว่ามันรักษาไม่หายหรือว่ามันจะพาไปสู่นะและสุดท้ายของชีวิตก็ยอมรับ ไม่ปฏิเสธไม่ผลักไสก็ไม่บน่นบวยวายตีโพยตีพายเหมือนกันแล้วการที่สามคือว่าถ้าจะต้องตายก็ยอมรับความตายนะยอมรับความตายสามยอมนี่สําคัญมากทีเดียวนะในการที่จะช่วยทําให้ใจนี้ไม่ทุกข์นะทุกข์แตกกายคือยอมรับความจริงยอมรับความเป็นไปแล้วยอมรับความตายนะ ความทุกข์ใจเนี่ยของผู้คนส่วนใหญ่เวลาประสบกับสิ่งไม่ปรารถนาเนี่ยมันสร้างความทุกข์ได้ยิ่งกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองสิเหตุการณ์ภายนอกที่เกิดกับเรานะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ฝนตกน้ำท่วมรถติดนะไปจนถึง ได้งานที่ไม่ชอบต้องไปเจอกับเจ้านายที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าประสบกับความล้มเหลวรวมทั้งสูญเสียของรักเจอความเจ็บความป่วยอ่าซึ่งเรียกรมรวมว่าเนี่ยประสบกับสิ่งที่ไม่รักพัดพราดจากสิ่งที่รักแล้วก็ไม่ได้อย่างที่ปรารถนาหรือว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ย อันนี้ว่าเหตุการณ์นที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่ทําให้ทุกข์มากเท่ากับใจที่ไม่ยอมรับนะเหตุการณ์แม้อาจจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าย้ายไม่ยอมรับแล้วเนี่ยกลัมันทําให้ทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับเช่นวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยเพียงแค่เพบว่าตัวเองมีสิวไม่กี่ยงไม่บนใบหน้าเนี่ยถ้าไม่ยอมรับมันนะหรือว่าเจอผมงอกเจอผิวหนังที่เหี่ยวย่น ถ้าไม่ยอมรับเนี่ยมันทําให้ทุกข์ยิ่งกว่าปัญหาที่เกิดจากสิวปัญหาที่เกิดจากผิวหนังเหี่ยวย่นได้ซ้ําน้ําท่วมรถติดก็เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้สร้างปัญหากับจิตใจมากเท่ากับเวลาเรายอมรับมันไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันนะถ้ายอมรับไม่ได้เลยเนี่ยวมันทําให้ ใจิตใจเราย่ำแย่ลงแล้วก็ทำให้ป่วยหนักกว่าเดิมด้วยแต่พอเรายอมรับมันได้นะไอ้ปัญหาต่างๆที่เกิดมันก็ไม่ใช่ปัญหาต่อไปมันจะไม่ใช่ปัญหาต่อไปทดลองดูก็ได้นะเวลารถติดเนี่ยนะแต่เดิมเนี่ยเราหงุดหงิดไม่พอใจทำไมมันต้องมาติดตอนนี้ น, ะนี่เป็นวันอาทิตย์นะทำไมคนออก จากบ้านกันเยอะเหลือเกินไอ้ความคิดแบบเนี้ยความรู้สึกแบบเนี้มันทําให้ใจเป็นทุกข์มากแต่พอใจเราอยอมรับได้เออจะติดก็ติดไปเป็นธรรมดาของกรุงเทพเนี่ยเราจะพบเลยนะว่าใจมาสงบใจมาสงบใจมันจะเรียกว่านิ่งเย็นขึ้นมาเลยเพราะความทุ่มคนเราเนี่ยมันเกิดจากจิตที่มันดิ้นไม่ว่าดิ้นเพื่อเอาหรือดิ้นเพื่อผักใสก็ตาม การยอมรับไม่ได้เนี่ยมันทำให้ใจมันดิ้นดิ้นที่จะผลักสิ่งนั้นออกไปนะหรือว่าดิ้นเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่เคยสูญเสียไปกลับคืนมายิ่งทำไม่ได้กลับมาเนี่ยก็ยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่หงุดหงิดหรือผลักออกไปแต่มันไม่ไปก็ยิ่งเป็นทุกข์ จะ แ, แปลงนะพอเราเป็นทุกข์กับสิ่งใดใจก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นทนั้งที่เป็นสิ่งที่ไม่ชอบเช่นเสียงดังเนี่ยเขาไม่มีเสียงโทรศัพท์เสียงพูดคุยกันบางทีเสียงโทรศัพท์เสียงดึงโทรศัพท์มี เ, เสียงเพลงที่ซัมแต่พอใจเราไม่ชอบนะไม่ยอมรับมันเพราะว่ามันดังไม่ถูกกาลเทศะมันดังในที่ที่อคนกําลังฟังทำนั่งสมาธิกัน สุดแท้แต่จะมีเหตุผล้ะพอมันมีความคิดแบบนี้ใจก็จะผลักสายไม่ยอมรับแล้วพอไม่ยอมรับทันทีก็ทุกเลยนะแม้จะเป็นเสียงเพลงและแม้เสียงจะไม่ไม่ดังเท่าไหร่แล้วพอทุกพังอุ่นหยินนะใจยิ่งไปจดจ่อยอยู่ที่เสียงนั้นเอาแต่คิดในใจว่าเมื่อไหร่เสียงมันจะเงียบไปเมื่อไหร่เจ้าของเสียงจะหยุดนะแล้วพอไม่หยุดเสียงไม่เงียบ จนะ ย, ยิ่งเกเกิดความโกรธความแค้นขึ้นทั้งหมดนี้เกิดจากใจเราแท้ๆไม่ได้เกิดจากเสียงเลยนะ้ เ, เสียงมันแค่เป็นปัจจัยภายนอกแต่ถ้าใจเราสงบได้เ อ, อมันจะดังก็ดังไปฉันก็พยายามตั้งใจฟังนะอคําบรรยายหรือฉันก็จะอยู่กับปัจจุบันนะจะไม่ส่งจิตออกนอกนะพอเราวางใจแบบเนี้ยนะ ใจมันก็จะหายรุ่มหายร้อนใจก็จะเย็นไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นะความทุกข์มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าใจเราเนี่ยไม่ไม่ผักใสใจไม่ต่อต้านก็คือใจเรายอมรับแม้แต่ความเจ็บป่วยเนี่ยนะพอใจเรายอมรับได้นะมันก็จะป่วยแต่กายนะใจไม่ป่วย แล้วพอใจดีขึ้นนะมันก็ชุดให้กายดีขึ้นด้วยเมื่อทักยี่สิบกว่าปีก่อนตมาเคยไปจำพรรษาที่วัดอมาราวดีประเทศอังกฤษสมัยนั้นหลวงพ่อสูเมทัเป็นเจ้าว่าช่วงนั้นเนี่ยก็ได้ข่าวว่ามีพระที่วัดจิตวิเวกนะัชชิดเฮิร์สเนี่ยท่านก็สิบกว่าพรรษาแล้วท่านป่วยและอาการป่วยของท่านก็แปลกนะคือว่าไม่รู้สาเหตุ แล้วก็อาการก็สุดลงไปเรื่อยๆกินไม่ได้ผายพร้อมนะรักษาด้วยแพทย์แผนสมัยใหม่ก็ไม่เกิดประโยชน์นะก็หันมารักษาด้วยการแพทย์แผนโบราณสมุนไพรเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนเ พ, พราเดีวยวกันก็ไปให้กำลังใจเวลาไปเยี่ยมก็พยายามถามว่าเป็นยังไงดีขึ้นไหมพยายามให้กาลังใจว่าสู้ๆนะอาก คนไข่เนี่ยก็แย่ลงไปแย่ลงไปเนี่ยเพื่อนก็ยิ่งมาให้กําลังใจอย่าให้สู้ให้สู้นะเจ้าตัวก็พยายามสู้นะแต่ว่ายิ่งสู้ก็ยิ่งทุกข์นะเพราะว่าร่างกายไม่ได้ดีขึ้นเลยเพื่อนเพื่อนก็เสียใจนแล้ววันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อสุมเมโตก็ไปเยี่ยมพระรูปนี้ แต่แทนที่ท่านจะให้กําลังใจอย่างคนทั่วๆไปท่านกลับพูดว่าจะตายก็ได้นะไม่ต้องพยายามหายจะตายก็ตายได้นะไม่ต้องพยายามหายคนไข้นี่ร้องไห้เลยนะไม่ใช่เพราะเสียใจที่มาครูบาอาจารย์มาแช่งนะแต่ว่าดีใจร้องไห้ด้วยความดีใจว่า รู้สึกเหมือนกับภูเขาเนี่ยออกจากอกแล้วยกภูเขาจากอกพราที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะสู้พยายามที่จะต่อสู้กับความตายพยายามที่จะทําให้ร่างกายมันดีขึ้นพอไม่อยากให้เพื่อนผิดหวังไม่อยากให้เพื่อนเป็นทุกข์นะแต่ว่าร่างกายมันก็ไม่ดีขึ้นยิ่งพยายามสู้ยิ่งพยายามที่จะดิ้นรนขัดขืนความตายเท่าไหร่ใจก็ยิ่งทุกข์ร่างกายก็ยิ่งแย่แต่พอหลวงพ่อสมัยทูตแบบนี้เนี่ย ถ้ารู้สึกเลยนะเออตายได้รู้สึกสบายใจรู้สึกไม่รู้สึกผิดที่จะตายนะต่อไปนี้ฉันตายได้แล้วฉันไม่ต้องคอยดิ้นรนต่อสู้นะเพื่อให้มันหายสำหรับคนไข้เนะี่ยมันคือการปลดเปลื้องภาระและความรู้สึกผิดเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น จนกระทั่งหายเป็นปกตินะเพทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่เลยนะถ้าแปลกมาพอพร้อมจะตายแล้วนะครูบาอาจารย์อนุญาตให้ให้ตายได้แล้วพอพร้อมจะตายนี่กลับไม่ตายเนะพราะอะไรเพราะว่าใจยอมรับแล้วออจะตายก็ตายนะอันนี้เรียกว่ายอมรับความจริงนะ อยอมรับความเป็นไปแล้วยอมรับความตายด้วยพ อ, อยอมรับนี่ใจมันมันสบายเลยนะแล้วพอใจสบายนะมันก็ฉุดให้ร่างกายเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถ้าไม่น่าเชื่อนะเพียงแค่ยอมรับเนี่ยความจริงเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันจะช่วยทําให้นะใจนี่สบายได้ในพระไตรปิฎกก็มีเรื่องนะของ สามีภรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นสามีภรรยาตัวอย่างนะนะเป็นอุบาสกอุบาสิกาตัวอย่างคือนักกุลบิดาและนักกุลมารดาก็คือพ่อหรือแม่ของอุบาสกที่ชื่อนักกุลเนี่ยนักกุลบิดาเนี่ยป่วยนะแล้วก็อาการก็แย่ลงไปแย่ลงไปแต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่ยอมตายภรรยาคือนักกุลมารดาเนี่ยก็ สงสัยว่าเจ้าตัวนี้คงมีความห่วงกังวลบางอย่างจึงทําให้ขัดขืนต่อสู้ความตายมันก็เลยแสดงอาการออกมาเป็นความทุกขนะ์ความทุกข์ทั้งกายความทุกข์ทั้งใจคนเราเวลาไม่ยอมตายเนี่ยสังเกตได้นะมีอาการขัดขืนมีอาการต่อสู้ดิ้นรนแลนะการอย่างนี้มันบ่งบอกว่านะคนไขเน้เขามีอะไรบางอย่าง ที่ทำให้เขาไม่ยอมตายทำให้เขาต่อสู้ขัดขความตายตะกุนบรนดาก็เลยพูดกับสามีว่าท่านอย่าห่วงนะว่าเมื่อท่านตายไปแล้วเนี่ยเราจะเลี้ยงดูลูกเราจะดูแลบ้านไม่ได้ขอย้มั่นใจว่าเราจะเลี้ยงดูลูกและดูแลบ้านได้ท่านอย่าอย่าเป็นห่วงนะว่าถ้าท่านตายไปแล้วเนี่ยเราจะมีชายอื่นนะขอย้มั่นใจว่าเมื่อท่านตายไปแล้วเราจะไม่มีชายอื่นเลย ท่านอย่าห่วงนะว่าถ้าท่านตายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่อยากจะพบพระพุทธเจ้าและพระสาวกนะขอยมั่นใจได้ว่าแม้ท่านตายไปแล้วเราก็จะมีความปรารถนาที่จะได้พบพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ท่านจะได้ห่วงนะว่าท่านตายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลก็จะยังคงรักษาศีลอยู่ท่านอย่าห่วงนะว่าถ้าท่านตายไปแล้วเนี่ยเราจะ ไม่มีความสงบใจนะเราจะพยายามฝึกให้ใจมีความสงบแม้ท่านตายไปแล้วแล้วก็ประกาศสุดท้ายก็ถามก็พูดว่าเนี่ยท่านจะได้หูวนะว่าถ้าท่านตายไปแล้วเนี่ยเราจะมีความคลางแคลงสงสัยในพระธรรมวินยัยเราจะไม่มีความคลางสงสัยในพระธรรมวินัยอย่างแน่นอนแม้ท่านตายไปแล้วพอพูดอย่างนี้นะแล้วคุณมิดาก็สบายใจไม่คิดต่อสู้ความตายแล้ว ยอมแล้วนะพร้อมจะตายแล้วปรากฏว่ากลับหายนะกลับหายนะคนเรานี่พอพร้อมตายหรื อ, อยอมรับความตายนี่ร่างกายบางทีมันดีขึ้นเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะแต่มันก็เป็นมีปรากฏนะเป็นหลักฐานในพระไตรปิฎกแล้วก็ในชีวิตจริงนะอย่างที่เล่ามาเพราะนนเขาว่ายอมรับเนี่ยนะ ในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะเป็นเคล็ดลับเลยนะในการที่ทําให้เราเนี่ยสามารถจะประชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาได้ไม่ว่าจะเป็นการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ว่าจะเป็นการพัดพลาดจากสิ่งรักหรือไม่ได้อย่างสิ่งที่ปรารถนาปรารถนาแล้วไม่ได้ก็อย่าไปเสียอกเสียใจอย่าไปตีโพยตีภาย เพราะว่าการตีโพยตีพายเนี่ยมันทำให้ทุกข์ยิ่งกว่าการที่ไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาสิประสบสิ่งที่ไม่รักนะมันก็ไม่ทำให้ทุกข์เท่ากับใจที่ยอมรับไม่ได้พัดพ่าจากสิ่งรักก็ไม่ได้ทำให้ทุกข์มากเท่ากับการที่ไม่ยอมรับสิ่งนั้นแต่คนเราเนี่ยนะเนื่องจากไม่รู้เท่าทันจิตใจเวลาใจมันปฏิเสธผักสายวยวายตีพยีพายเนี่ย ก็ไม่รู้ไม่รู้ทันใจคนที่ไม่รู้จักจิตใจของตัวเองไม่รู้ไม่รู้ไม่รับรู้ความรู้สึกของตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะอย่างที่ผู้แย้มเมชาเนี่ยคนที่เห็นภาพที่น่ากลัวจนกระทั่งหัวใจเต้นเร็วความดันขึ้นเนี่ยแต่เจ้าตัวไม่รู้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยกลัวยังบอกคนอื่นเลยนะว่าฉันสบายดีไม่เป็นอะไร ร่างกายมันฟ้องหัวใจมันฟ้องความดันมันฟ้องว่ากลัวนะแต่เจ้าตัวไม่รู้ใช้เวลาทำนอนดิการณคนเนี่ยเวลาเกิดความทุกข์เวลาเกิดการผักสายต่อสู้ไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เจ้าตัวไม่รู้นะแลนะเนื่องจากทําเป็นนิสัยเนี่ยเจออะไรที่ไม่ถูกใจก็เออะวยวายตีโพยตีพาย ถึงแม้จะไม่บ่นออกมาแต่ข้างในเนี่ยมันต่อสู้มันมันมันพึมพำรรบวยวายอยู่ข้างในอันนี้ให้เรารู้นะว่าเนี่ยตรงนี้แหละคือตัวการของความทุกข์ใจนะไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่เพราะว่าฝนฟ้านะมันไม่ตกแดดร้อนเสียงดังกุฏิไม่น่าอยู่นะเพื่อนร่วมงานไม่น่ารัก ได้งานที่ไม่ชอบอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับใจที่มันต่อต้านผักใสอ้ น, นี้ทำไงถึงจะเราจะทําให้เราใจยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสติรู้ทันนะเวลาใจมันไม่ยอมรับเนี่ยมันจะเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจเกิดความเกิดโทสะขึ้นมาให้มีสติรู้ทันรู้ก็รู้เฉยๆก็พอแล้วไม่ต้องไปพยายามบังคับจิตให้เป็นปกติแค่รู้เฉยๆนะ แค่รู้เฉยๆว่าจิตไม่ปกติเนี่ยนะมันก็ทําให้จิตกลับมาเป็นปกติได้แต่เดียวกันเนี่ยถ้าเราใช้ปัญญาสักหน่อยนะแล้วก็คิดต่อลองคิดสักหน่อยว่าเออาวยวายตีโพยตีพายก็ไม่ช่วยอะไรเงินหายไปแล้วจะไปโวยวายยังไงก็ไม่ทําให้เงินมันกลับมาป่วยนะป่วยแล้ว ตีโพยตีพายไปยังไรมันก็ไม่ทําให้ดีขึ้นได้นะเว้นแต่ว่าจะเยียวยารักษาและถ้ายิ่งตีโพยตีพายเนี่ยนอกจากประโยชน์จะไม่ได้แล้วยังเกิดโทษอีกเป็นการซ้ําเติมตัวเองเงินหายโทรศัพท์ถูกขโมยแล้ว ย, ยังวอยวายตีโพยตีพายเนี่ยก็คือการซ้ําเติมตัวเองมันจะไม่ได้หายแต่ของแต่ว่าความสุขก็จะหายไปด้วย นะความปกติสุขก็จะหายจะไม่ใช่เสียแต่เงินนะแต่ใจก็เสียด้วยล้วนะคนเรานี่ซ้ำเติมตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะทั้งที่ปากก็บอกว่ารักตัวเองรักตัวเองเนี่ยแต่ชอบซ้ำเติมตัวเองอยู่เป็นประจำเวลาอยากจะได้แล้วแล้วไม่ได้เนี่ยแค่นั้นก็ก็พอแล้วนะก็ยังเสียใจที่ไม่ได้เอะอะโวยวายเขอีกถ้าเราลองคิดแบบนี้สับ้างนะว่าการไม่ยอมรับการปฏิเสธผักใส วอยวายเนี่ยนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วยังเกิดโทษนะสู้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเช่นรถติดเนี่ยนะแทนที่จะวอยวายนะบนพึมพำพึม พ, พเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเอาเวลาขณะที่รอรถติดร้อยี่สิบวินาทีมาตามลมหายใจเข้าออกหรือว่าสนทนากับลูกนะสนทนากับอ่าพ่อแม่ที่ นั่งรถมาด้วยกันยังได้ประโยชน์มากกว่าอีกหรือไม่ก็ฟังเทปธรรมะเนะี่ยให้ร้อยยสิบวินาทีเนี่ยมันจะกลายเป็นเวลาที่สั้นไปทันทีเลยนะถ้าเราทําอย่างที่ว่ามาแต่ถ้าเราไม่ยอมรับหงุดหิดไม่พอใจเนะมันจะเป็นเวลาที่นานมากเลยนะร้อยี่สิบวินาทีทั้งที่ทั้งที่เมื่อแค่สองนาทีท่านแหละเนะี่มันจะยาวเป็นสิบนาทีเลยนะถ้าใจเราปฏิเสธผักใส่โวยวายว แต่ถ้าเรายอมรับมันมันจะผ่านไปอย่างเร็วมากการมองว่ามันเป็นธรรมดาก็ช่วยทำให้ใจเรายอมรับได้อยอมรับเป็นธรรมดาอันนี้ต้องอาศัยการเตือนใจตัวเองนะมันมีบทพิจารณาเนี่ยอภินัน์ปัจเจกเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลบล้าความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะร่วมพนความจ็บไขไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่เมพ้นความตายไปไม่ได้เราจาับต้องพัดพราดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นท่องเอาไว้พิจารณาอยู่เสมอพอเกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่ามาเนี่ยใจมันจะยอมรับได้เพราะว่าตัวเองเป็นโรคร้ายนี่โรคความดันเบาหวานหรือเป็นมะเร็งไตวาย เมื่อแต่กันที่เราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาคนหนึ่งเขาก็เป็นทําไมเราจะเป็นไม่ได้มันก็จะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บ่นนะว่าทําไมต้องเป็นชั้นมันมีแต่จะทักท้วงขึ้นมาว่าทําไมจะเป็นเราไม่ได้ทําไมจะเป็นชั้นไม่ได้ถ้าการคิดแบบนี้ว่ามันเป็นธรรมดาเนี่ยเงินหายของหายก็เป็นธรรมดาหรือว่ารถเสียเนะี่ยมันก็เป็นธรรมดานะเพราะว่า ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปได้นานรู้อย่างหมอเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเสียบ้างมันมีคำคำหนึ่งเรียกว่าเป็นเช่นนั้นเองตาตาเช่นนั้นเองนะเพราะเราจะเคยเห็นคำนี้เนี่ยนะตามบางมุมของวัดเนี่ยเป็นเช่นนั้นเองก็คือมันธรรมดานะเจ็บป่วยก็ธรรมดาเป็นเช่นนั้นเอง ทุกอย่างมันเป็นธรรมดาแต่ใจเราเนี่ยวางไม่ถูกมันก็เลยกลายเป็นทุกข์กลายเป็นปัญหาลองมองปัญหาว่าเป็นเรื่องธรรมดาดูบ้างนะใจเราก็จะยอมรับมันได้ไอ้ความทุกข์ก็จะสงบเรื่อจะมองอีกมองก็ได้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างความสูญเสียพัดพราด ม, มีประโยชน์อย่างไรบ้างเออเขามาสอนเรานะว่าอะไรอรก็ไม่เที่ยงนะเขามาสอนเราว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริง ทุกอย่างอยู่กลอยเพียงแค่ชั่วคราวความเจ็บไข้ก็มาเตือนนะว่าสังขารเนี่ยนะมันไม่จีรังยั่งยืนนี่เป็นสัญญาณเตือนนะว่าต่อไปนะจะเจอหนักกว่านี้หรือเข้ามาสอนให้เรารู้ว่าชีวิตไม่เที่ยงนะสักวันหนึ่งก็ต้องตายตถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าได้ประโยชน์นะจากความเจ็บป่วยจากความสูญเสีย นะแล้วถ้าเราเกิดปัญญาขึ้นมาจากเหตุการ์เหล่านี้จะเรียกว่าเราได้กาไรก็ได้นะได้กาไรนะเสียเงินเสียของแต่ว่าได้ปัญญาอันนี้เป็นกาไรเป็นกาไรชีวิตเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเวลาเจอความสูญเสียอีกจะไม่ทุกข์ลนะเสียก็เสียไปใจไม่เสียนะใจไม่ทุกข์การมองทุกอย่างว่าเป็นของดีเนี่ยนะ อุปสรรคความล้มเหลวก็เป็นขอ ง, ของดีนะช่วยทำเราเข้มแข็ ง, ขงเมื่อเร็วๆนี้ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของพ่อคนหนึ่งนะลูกเนี่ยเป็นเด็กที่ขยันนะและเป็นเด็กที่เก่งเรียนดีนะนะแล้วตอนตอนนี้ลูกก็เริ่มจะเริ่มจะสอบเข้านะหมหาวิทยลาลัยสอบเข้าคณะต่างๆพ่อก็ให้สัมภาษณ์ว่า อยากจะให้รูส้สอบตกบ้างนะอยากให้รู้สอบสอบตกบ้างสอบไม่ได้บ้างทําไมเพราะว่ารู้จะได้รู้จักความความล้มเหลวรู้จะได้เรียรู้นะความผิดพลาดเพราะเด็กที่ประสบแต่ความสําเร็จเนี่ยนะไม่รู้จักความล้มเหลวความผิดพลาดเนี่ยเขาจะไม่ฉลาดนะเขาจะหลงตัวลืมตนได้ง่าย เขาจะไม่มีภูมิคุ้มกันความล้มเหลวไม่มีภูมิคุ้มกันความทุกข์นะท่านพ่อเนี่ยคิดแปลกนะอยากจะให้ลูกสอบตกบ้างนะลูกจะได้ประสบการณ์และประสบการณ์อย่างนี้จะช่วยทำให้ลูกเนี่ยเข้มแข็งนะสามารถที่จะเจอความล้มเหลวที่ใหญ่กว่าในวันข้างหน้าได้นะอลองคิดแบบนี้ดูบ้างก็ได้นะเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเจอ สิ่งที่อไม่สมหวังหรือว่าพัดพลาดจากสิ่งรักอย่าโมาแต่เสืออกเสียใจอย่าโมาแต่ตีโพยตีพายทําไมต้องเป็นชั้นนะให้ลองมองว่าเนี่ยมันเป็นแบบเฟื่อนให้เรายอมรับความจริงและไม่ใช่เฉพาะความจริงที่เกิดขึ้นนอกตัวเรานะไอ้ความจริงที่เกิดขึ้นในใจเราก็เหมือนกันนะยอมรับมันบ้างโดอเพราะนักภาวนา หลายคนมาวัดเนี่ยก็อยากให้ใจสงบแต่พอภาวนาแล้วใจไม่สงบก็ไม่พอใจนะทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้อุตส่าห์เสวเวลามาวัดเนี่ยนะปฏิบัติมาสีห้าวันแล้วใจก็ยังวุ่นวายใจก็ยังฟุ้งซ่านอันนี้แหละกำลังทุกข์ละกำลังซ้ำเติมตัวเอง ความฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหานะปัญหาอยู่ที่ใจที่ไม่ยอมรับความฟุ้งซ่านหลายคนไม่กล้านั่งสมาธินะเดียเพราอมือใหม่เนี่ยถามว่าท า, มาไมไม่ไม่นั่งบอกนั่งไม่ไหวแค่ห้านาทีก็ฟุ้งแล้วก็เลยเป็นทุกข์พอทุกข์มากก็เลยไม่นั่งไม่ภาวนาแต่ที่จริงเนี่ยนะมันธรรมดานะ ดีย๋ยว่าแต่คนคนทั่วไปเลยนะเคยมีคนถามไทาลารมะนะไทาลาร์มะนี่โอเรียกว่าผ่านการปฏิบัติอย่างเข้มข้นนะถามว่าทำไงใจจะสงบเวลานั่งสมาธินะท่านบอกโอ้ยมันไม่ง่ายนะขณะตามมานี่เวลานั่งสมาธิใจก็ยังฟุ้งเลยนะไทาลารมะนะอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วจะแปดสิบแล้วมั้งนะคือมันธรรมดาพอเรามองอย่างนี้ว่าเป็นธรรมดาเราจะยอมรับได้ ภาวนาแล้วใจมันฟุ้งเออก็ช่างมันนะยอมรับมันซะว่านี่คือเป็นธรรมดาแล้วคนที่คิดแบบเนี้ยนะการปฏิบัติจะก้าวหน้าเพราะว่าจะมีความเพียรจะไม่ท้อถอยง่ายนะพอถ้าตั้งใจมากแล้วก็อยากจะให้มันสงบพอมันไม่สงบยอมรับไม่ได้ก็จะหงุดหงิดหงุดหงงมากๆก็จะเริ่มทํำด้วยความเครียด แต่แล้วทําไปไม่นานก็เลิกเพราะว่าแน่นหน้าอกปวดหัวนะยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ยิ่งผลักใส่ใจก็ยิ่งเป็นทุกข์นะฉะนั้นวางใจให้ดีนะอะไรจะเกิดขึ้นกับใจของเราในระหว่างภาวนาก็ช่างมันมันจะมีความฟุ้งมันจะมีนิวรณ์มีความโกรธมีความหงุดหงิดอย่าไปต่อสู้หรือสู้รบตบมือกับมันแค่รับรู้มันแค่ดูมันแค่เห็นมันก็พอแล้วนะ เดี๋ยวมันก็สงบไปเองนะให้ฝึกแบบนี้นะฝึกนะเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับใจหรือเกิดขึ้นกับกายแม้มันจะไม่น่าพอใจก็ถือเป็นบทเรียนในการฝึกให้เรายอมรับมันหรือใช้สำนวนของหลวงพ่ออมเขียวคือรู้ซื่อๆนะแค่รู้ก็พอแล้วไม่ต้องไปดิ้นรนผลักสายมันนะไม่ต้องไปบนไ่นวอยๆตีโพตีพายกับมันคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่าง ทำเท่านี้มันก็จะถ่วยเราไปได้ไกลนะเอาคาํามที่พูกันท่านี้นะครับ